ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประปติยานคงประรบเรื่องขันติธรรมอีกเช่นเคยประเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะกว่าที่จริงทุก ข, ข้อบารมีเนี่เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นพวกนี้ที่จริงเป็นอุปการะบารมีโดยซ้ําตัวใหญ่มันก็คือทานศีลปัญญานะฮะแล้วก็เนคขมะนี่ก็สีข้อในเรื่องใหญ่พวกนี้จะเป็นอุปการะในการ บำเพ็ญบารมีและตัวเขาก็เป็นบารมีเราสั่งแสดงไว้ว่าผู้มีขันติและมีเมตตาย่อมเป็นผู้มีลาภมียศมีสุขเสมอแล้วก็ผู้มีคันติเนี่ยจะเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราเจนว่าจะพูดถึงเหตุคือขันติกับเมตตาแล้วก็จากคันติคือเมตตาเนี่ย มันจะเกิดผลขึ้นมาในลักษณะต่างๆข้อความตรงนี้เป็นการศึกษาจากประวัติตัวตนของบุคคลที่เป็นที่ยอมรับยกย่องกันในสถานที่นั้นแล้วก็กระตุ้นเตือนให้คนได้ถือท่านเหล่านั้นเป็นเนติแบบแผนในการดาเนินชีวิตเราจะเมตตาจิตเนี่ยเป็นฐานหลักที่มองคน จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นบทขยายของสียงข็อป า, านานั่นเองเพราะว่าโลกโลกเราเนี่ยคือคนที่สร้างปัญหาที่สุดคือมนุษย์อ่ะคือคนอ่ะและถ้าทำจิตคนให้มีเมตตาต่อกันได้เยนะโลกมันจะอยู่ได้อีกตั้งนานนะเวลานี้จนถึงกับปวนักวิทยาศาสตร์เขาวิตกกังวลกันนะ ว่าโลกมันจะอยู่ได้ไม่เกินห้าร้อยปีบ้างไม่เกินพันปีบ้างอะไร้เนียแต่ทั้งหมดเราตายแล้วหลายหลายครั้งนะนะตายเกิดแท้เกิดหลายครั้งแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์มันขาดพื้นฐานความเมตตาต่อกันเพรา ะ, ะสีงข้อที่ห้าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงในแง่กุณฑ h a r m นะจะเป็นประโยคบอกเล่าไม่ใช่เป็นคําสั่งนะฮะเป็นคําบอกเล่า ว่าลูกรกรพิสุทธ์ทั้งหลายคนดีในโลกนี้เรียกว่าอริยาสาวกในโลกนี้เป็นผู้มดเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตายไม่พกพาสัตว์ราวุธเครื่องประหารทั้งหลายมีความระมัดระวังเมื่อเกี่ยวข้องกับคนกษัตริย์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเห่นไ้มเมตตามันก็ เป็นจิตที่มันพัฒนาขึ้นไปจากการงดเว้นก่อนเพราะสัตว์โลกเนะี่ยมีเบียดเบียนกันมีการเบียดเบียนกันประทุษร้ายกันถ้าเรามองดูโลกชีวิตของสัตว์โลกที่ก็ถ่ายทามาในป่านะหรือเราไปนั่งสังเกตพฤติกรรมของสัตว์โลกมานั่งดูอะไรก็ได้นะนั่งดูสุนัขดูไก่ดูอะอะไรก็ได้ แต่ว่าส่วนมากมันเบียดเบียนกันในหมู่สัตว์อื่นในลักษณะปลาเล็กกินปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กก็เบียดเบียนประทุตรายกันเครมียาวสายดรายสายออกเป็นอาการของโลภะมันมเกิดจากการมองเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ผ่าแบ่งแยกออกไป พิธีการทงศาสนาจึงสอนในศีเนี่ยเราลองสังเกตว่าไม่มีาศาสนาไหนก็สอนแบบพุดพระเจ้าสอนเรื่องปราณนะแปลว่าปราณ์คือแปลว่าลมหายใจเข้าออกมาความทำยังไงเราจะรู้สึกยอมรับนับถือสถานภาพของสิ่งมีปราณทั้งหลายเช่นเดียวกับเราแต่สิ่งที่มีปราณ์คือหายใจเนี่ยนะะมีลมหายใจเข้าออกเนี่ย มันก็มีทั้งมีชีวิตแล้วก็ไม่ใช่มีตั้งเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ก็มีชีวิตนั่นแหละแจะบางอย่างก็เคลื่อนที่ไม่ได้บางอย่างก็เคลื่อนที่ได้เพราะในแง่ของวินัยของพระเนี่ยภิกษุตัดกิ่งไม้เนี่ยปรับอบัตนะเท่ากับตบยุงตายตัวทั้งแหลกันเห็นไหมเพราะเรายอมรับาต้นไม้นี่เขาก็มีปราณเหมือนกันการตัดการทําลายก็คือทําลายชีวิตเหมือนกัน เปลียนแต่ว่าต้นไม้มันมันพูดไม่ได้แั่เองแต่มันพูดได้มันคงบอกเหมือนกันพระาสนาก็พัฒนาขึ้นไปถึงตรงนี้แต่ว่าสำหรับชาวบ้านก็ไม่ได้พูดเป็นกฎเกณฑ์อย่างนั้นเพียนแต่ว่าจะสอนในแง่ของธรรมะแง่ของสํานึกกัตัญญูกตัตเวชีต่อธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟอากาศเนี่ยทั้งห้านะฮะดินน้ําลมไฟอากาศเจะมองในแนวของสํานึกคุณกัตัญญูอนุรักษ์ ธนุบำรุงรักษาเอาไว้เชื่อใช้สอยประโยชน์ร่วมกันแล้วก็เป็นที่อิงอาศัยของคนของสัตว์ด้วยกันความคิดตัวเนี้ยก้าวหน้ากว่าความคิดในปัจติบันเยอะเลยนะเราจะเล่าความคิดในปัจจุบันมันเหมือนกับเราอยู่ระยะสั้นๆมีต้นไม้เท่าไหร่ก็โคน่นได้หมดเลยมีปลาเท่าไหร่ก็จับกินใด้หมดเลยอะไรต่อไป คือไม่ได้มองไปไกลๆไี่ได้มองถึงอนาคตมันไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าคนส่วนที่มันทำลายเนี่ยเขาไม่ได้มองอาตมาเคยสมัยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยรณรงค์เรื่องใอ้กินไข่ปลานะฮะกับกับลู ก, กเรียกว่าลูกคลอกอะลูกปลานะ่ยไปเทศเรื่อยพูดเรื่อยแล้วคนเอามาทำบุญไปในวัดอามาก็เทศ เพื่อขอร้องว่าเราไม่ขอเขาไม่ทําปานาธิบาศ เ, เพราะว่าท้องถิ่นตรงนั้นมันก็หากินในปานาธิบาศ mm hmm. แต่ว่าทำอย่างไงว่ามีความสํานึกรับผิดชอบบ้างมีเมตตาต่อสัตว์บ้างมีเมตตาต่อคนอื่นบ้างก็ยกตัวอย่างให้โยมก็ฟรรังว่าโยมลองดูซิว่าไอ้ไข่ปลาอันหนึ่งนี่นะเรากินคําเดียวเองบางทีตั้งสองสามอันเรากินคําเดียวเอง แต่ไข่ปลาตรงนี้ถ้าแกออกลูกวันสักครึ่งปีเนี่ยไว้ยสักครึ่งปีเนี่ยโอ้โหมันเลี้ยงคนได้เป็นแสนแสนนะนะทําไมทําลายทรัพยากรของโลกอย่างเนี้ยช่วยการรักษามองโลกในมุมกว้างนะเพื่อนร่นทุกเกิดแก่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นพลความรู้สึกเมตตาเนี่ยคือเอาตัวเองเป็นฐานในการคิด โดยภาพรวมๆก็คือเราต้องการสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นใดคนอื่นสัตวอื่นก็ต้องการสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันแต่นั้นอันนี้ก็เรียกมององค์รวมแต่มองโดยความปรารถนาที่จะให้เกิดผลดีนะขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจ ง, งมันผูไไ้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ปัสสายการในแต่และชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของเราและเราเองก็ขวนขวายด้วยกายขวนขวายด้วยวาจา ไม่มีการพูดไม่มีการกระทําอะไรก็ตามที่เป็นการรนสิทเป็นการสร้างความรู้สึกไม่พอใจครับแค้นใจเดือดใจให้แก่บุคคลเหล่านั้นนี่ก็แสดงถึงเมตตาทีนี้ถ้าเขาแรงมาถ้าเราเมตตาแล้วเนี่ยคันติมันไม่ต้องใช้มากก็ได้นะเพราะลองสังเกตว่าคนที่เราเมตตาเนี่ยเราไม่เคยต้องใช้คันติอะไรเลยมันเป็นเองโดยอัตโนมัติอย่างวันทีลูกหลานตัวเล็กๆ เ, เนี่ย กำบังสอนพูดบางทีก็ด่าเอาก็ด่าแล้วบางกูก็ดูก็น่ารักไปดีนะพ่อแม่บางทีก็เอาไปคุยด้วยนันไปอวดด้วยลูกเก่งพูดได้แล้วตอนนี้ก็ด่าเก่งด้วยอะไรแต่ไหเนี่ยจะรู้สึกชื่นชมนั่นก็หมายความไงคือใจมันเมตตาเนี่ยขันติมันเป็นอัตโนมัติทีนี้ถ้าขันติเนี่ยบางทีอาจจะไม่เมตตาก็ได้นะะแต่ว่าเราใช้ขันติเป็นหลักมันหนัก แต่ถ้ามีทั้งกันติทั้งเมตตาเนี่ยคันติไม่ต้องใช้มากเพราะว่าเมตตามันเป็นเรือนใจเป็นฐานใจข้อ น, นี้ลองดูสังเกตคล้ายๆกับสระน้ำอะไรก็ได้นะสระน้ำที่มีน้ำใสแล้วก็มีคนมือบอนโยนไอสิ่งสกรปรกลงไปเช่นสมมติว่าตักโครนใส่ลงไปสักรปรงใหญ่ๆนะมันเสร็จแล้วมันจะสลายน้ำตัวนั้นจะกลับเป็นน้าสะอาดต่เวลารวดเร็ว แล้วถ้าเป็นแม่น้ําซึ่งมันไหลแล้วจะเร็วกว่า น, นั้นอีกเพราะใจิตใจที่มีฐานดีเนี่ยมีมีฐานด้วยที่เมตตาเมตตาก็ดีที่จริงอะไรก็เดียวก็ตามนะเมตตาก็ตามเป็นมิตรก็ตามรักก็ตามเคารพก็ตามพักดีก็ตามศรัทธาก็ตามอะไรเหมือนกันหมดอนะ่ะพวกนี้ความรู้สึกเหมือนกันหมดขันติไม่ต้องใช้มากเพราะว่ามันรับน้าหนักได้ทั้งสองอย่าง อย่างหนึ่งก็คือมองเขาด้วยเมตตาก็าจบแล้วอะไรก็ให้อภัยได้อดทนได้คืออภัยได้ก็คืออดทนได้เห็นไหมธรรมะมันเดินละมันมีคันติมันมีอภยัยมันมีอดทนต้องพยายามบางทีก็ทำยากมากทำใจยากมากก็ต้องใช้ความพยายามจนกว่าจะมีความเข้มแข็งทั้งสองอย่าง ลักษณะเมตตาจึงเย็นะลักษณะเมตตาเย็นแต่การอดทนนั้นถ้ามันเป็นอัตโนมัติมันก็เย็นเหมือนกันแต่ถ้าไม่อัตโนมัติเนี่ยมาอาจจะร้อนเผาว่า่าอสมควรเพียงแต่ว่าข่มใจไว้ได้ทีนี้ถ้าฐานก็เมตตาเนี่ยมันออกมาในรูปของการขวน ข, ข, ขวายด้วยกายแล้วูดด้วยวาจา เวลาสอนในภาคสนามเนี่ยจะทรงใช้ทั้งสามอย่างเมตตากายกรรมมังเมตตาวจีกกรรมังเมตตามโนกรร ม, มังเข้าไปตั้งเมตตาในทางกายต่อบุคคลทั้งหลายจะทําอะไรกับเขาก็ตามนะฮะทำด้วยเมตตาวงดีปรารถนาดีต่อเขามันมองดูเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการกระทําของเรา ไม่ได้คิดในทํานองที่จะปอบกลวยตักตรงตักตว ง, งผลประโยชน์อะไรจากเขานะฮะจะมองดูสวาสดยการกระทําอย่างนี้ของเราเขาจะได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ทําลงไปพันพื้นฐานของคันติกับเมตตาเลยก็เป็นปัจจัยเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วเราจะเห็นว่าความเพียรการให้อภัยมักจะติดตามมาและปัญญาก็จะวินิจฉัยเห็นคุณค่าของเมตตาเห็นคุณค่าของคันติ เพราะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำชั่วนั้นหนึ่งละเป็นการปิดกั้นบาปโทษที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ได้ลาบเห็นไหมคนที่มีเมตตาจิตตัวคนทั้งหลายมีความอดกั้นอดทนในการรฏิบัติภารากิจการงานในการทำงานหลังสุ่าหน้าหน้าสุดดิบเนี่ยมันก็จะได้ลาบที่ชัดเจนแล้วก็มียศ ยศเนี่ยบางอย่างก็เป็นเกียรติยศบางอย่างก็เป็นอิสยศบางอย่างก็ปริวาลยศนะยศตัวอย่างง่ายๆเช่นภาษาลิบุตรเนี่ยภาษาริบุตรนี่เคยมีพราหมณ์คนหนึ่งนะแอบตีหัวท่าน <Okay. S 1> คือมีคนเขาเล่าลือว่าภาษาริบุตรเนี่ยท่านไม่โกรธจริงๆพระหันไม่โกรธทั้งนั้นนะ แต่พราหมณ์ก็บอกเป็นไปไม่ได้มนุษย์ไม่โกรธยังเป็นไปไม่ได้ท่าไม่เชื่อวันหนึ่งพระสารีบุตรเดินบินธบาตถ์ถือไม้ตะพดเดินไปข้างหลังเนี่ยไปตีหัวพระสารีบุตรญัติโยมชาวบ้านเนี่ยที่รู้ข่าวแวแวๆเนี่ยมันก็เดินตามไปทังเกตัวห่างๆพระสารีบุตรโดนตีหัวเขาก็เดินเฉยแต่ไม่หันกลับมาดู ชาวบ้านโกรธมากเลยคือก็ามาจะประชา ธ, าปาธาิปไายพูดเลยต้องหันเข้ามาหันกลับมาถาม่จะทําอะไรกันบอ ก, กว่าพรามเนี่ยตีหัวพระคุณเจ้าเพราะงั้นต้องจัดการแต่ถามว่าตีหัวโยมหรือเปล่าก็ไม่ได้ตีแต่ําไมายมต้องโกรธละ่ะก็ตีหัวธรรมายมายังไม่ว่าอะไรธรรมโยมต้องไปว่าละ่ะต้องไ ป, ปโกรธละ่ะก็สอนกระตุ้นเตือนให้ได้ความคิด แระทาทบุตนั้นท่านอัตโนมัติหมดทั้งสองอย่างนั่นแหละคือมาความเมตตาบางก็เป็นทาวรอนะขันติก็ทาวรก็เรียกว่าตกผลึกไปนะพวกแหงก็ตกผลึกไปเลยคือว่ามันไม่มีอะไรจะโยกคลอในท่านวันไหวได้ไม่ว่าจะยั่วยุยั่วยวนคมขูคุกคามหลอกลวงประลาบประลมแล้วก็มีวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยจะ ไม่สามารถสร้างความหวั่นไหวแก่ท่านได้ทีนี้เมื่อเรามียศเนี่ยนะกระเจนว่าโดยเฉพาะกับอย่างยิ่งคือกับบริวารยศมันจะต้องใช้เมตตาที่แผ่กระจายไปทุกคนแล้วคนบางคนเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนะเราจะอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นมันก็เป็นไม่ได้เราก็ต้องอดทนเอาอ่ะเขาก็เป็นอย่างนี้เอง จะคาดหวังอะไรเช่นสมมติเราคาดหวังกับคนรถอย่า ง, งเา ง, งี้ยต้องเป็นอย่างนั้ น, นต้องเป็นอย่างนี้คนทุนต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แม่ครัวต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปคาดหวังอะไรกับแกนักหนาถ้าแกทําได้อย่างที่เราคาดหวังแกก็เป็นเราแล้วแกไม่ได้เป็นแกหรอกเพราะงั้นตรงนี้ก็ต้องทาใจนะแต่เมื่อก่อนไปเผาศอย่งานศพเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนะ แล้วก็พิธีกรและตระแลงต่างก็เป็นผู้อาจารย์ในมาวิทยาลัย<อ>คือฟังแล้วก็อึดดัดเลยก็บอกเขาบอกโอม้มันผิดงานนะหมายความเอาอาจารย์มาวิทยาลัยมาทํางานอย่างนี้อ่ะมอไปสับประรลอทำยังดีกว่าเพราะสับประรลอแกรู้อะไรก่อนอะไรหลังนะหน้าที่ของวัดกันเนี่ยพราะแกทำแกทําเสียหมดเลยคือตามปกติโดยบรญญัตินนะะ เราไม่ใช้ไมโครโฟนเรียกพระนะยิ่งชาวบ้านแล้วไม่ควรใช้เรียกเป็นอย่างยิ่งเลยก็ไปนิมนต์เอาแล้วถ้าพิธีหลวงเนี่ยเขาไม่ใช่นะฮะไมโครโฟนเนี่ยพอเริ่มพิธีปั๊บเนี่ยเขาจะไม่ใช้แล้วก็แม้จร่จริงก่อนหน้านั้นก็ไม่ควรจะใช้เวลาเนี้ยก็ใช้ไมโครโฟนเรียกพระออกมาเรียกพรายมาชักบางสกุลเรียกองค์นั้นองนี้บางทีเป็นผู้ใหญ่บ้ากเนะี่ย ผู้ใหญ่ก็พูดเท่าด้วยนะฮะไม่ใช่ใหญ่เฉพาะตำแหน่งแต่ทำเป็นผู้ใหญ่ทาเป็นผู้เท่าซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งก็ยังนึกว่าเออการสอนในโรงเรียนปัจจุบันในีโรงเรียนที่แถวบ้านโป่งนะเขาไม่มีตำานาแต่เขามีมุมหนังสือมีมุมการทำงานแล้วก็ศึกษาปรึกษาวางแผนครูจะเป็นที่ปรึกษาให้ก็ยังนึกว่า กิจกรรมเหล่านี้ยที่จริงถ้าเราสังเกตเอาก็พอแล้วนะสังเกตก็ได้แล้วสังเกตสักงานก็พอแล้วนะเรวตรงนี้ทํำยังไงตรงนี้ทํำยังไงแล้วก็ไปเจอสักงานก็สังเกตเอาแล้วก็จามเอาไว้ไม่ต้องไปอ่านหนังสือก็ได้นะว่า ง, างๆหนังสือมาอ่านก็ได้เป็นการเสริมเติมความรู้ความเข้าใจ คือเคยสังเกตนานแล้วบางครั้งบางคราวเราก็เจอพูกลูกศิษย์กหามันก็ต้องออกมากระซิบดุสักหน่อยมันขาดการศึกษาสำเนียกอย่างพวกพิธีกรรมเนี่ยฮะพกพิติกรรมเนี่ยไม่มีใครเก่งเท่าสำนักราชวังคล่องแคล่วว่องไวรับกระจับกระเชงรนะองลงมาก็คือเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอนุษาสนาจาร์เนี่ยสร้างเป็นคณะบุคคลขึ้นมาอบรมคน แล้วแกก็ไม่ได้ดูข้างล่างไงนะเลยมันโพกในรูปแบบพิธีกรรมต่างๆนี้แกนำาละยุ่งเสเสียทุกทีเลยแล้วก็ขาดไว้พริตฏิาพานภาคสนามถึงทำให้พวกพระที่เขาเห็นเขาอึดอัดเพราะอะไรเพราะพวกเดียวกันคนเรานั้นก็เป็นนักบวชเก่าเ อ, อิมก็น่าจะจำอะไรไปได้บ้างนะทำไมพอสึกมันหายไปหมดก็ไม่รู้นี่คือเรื่อง เรื่องการศึกษาเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่อะไรละ่ะเหมาะสมแก่ยศสถานะของเราเนี่ยเมื่อเราอยู่ตรงนี้มันมั น, ม, นมันความรู้ไม่ใช่เอาเฉพาะตรงนั้นมันมีความรู้พิเศษเคยพบผู้ใหญ่บางคนน่ยนะเป็นข้าราชการเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีนะเคยเจอเขาเฮ้คนนี้เขาเก่งอ่ะเขาเป็นทุกเรื่องเลยแล้วก็ทําได้สนิทสนุมทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถึงบางทีก็ถ่ายภาพบางทีก็แบบพัดให้พระอะไรก็ทำได้หมดเลยทำได้สนิทสนมไม่มีเคอะเขินอะไรเลยนั้นแสดงให้เห็นถนึงการพยายามศึกษาสาเนีกเรียนรูนะ้เคยไปในสถานที่แห่งหนึ่งระดับเจ้ากรมออกมาอาราธนาศีลเองนะฮะเคยเจออยู่สองแห่งนั้นเอง ออกมาทำเองเลยเป็นหัวหน้าพิธีกรเองเลยนำว้พระสวดมนต์นำสมาทานศีลแล้วก็นา แ, นะแนะนำเองทุกเรื่องไอ้นี้ก็ทำให้อะไรล่ะคือยศที่เราได้มาเนี่ยก็เพิ่มธรรมะขึ้นมาอีกแล้วก็ทำให้มีสุขโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเนี่ยพวกอานิสงส์ของคนที่มีขันติ คติจะอยู่ในที่ไหนจะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของมนุษย์ท้งหลายนั่นเป็นเรื่องแน่นอนแล้วก็แม้เทวดาทั้งหลายนะก็ว่าเป็นที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นคนดีไม่อ่อนแอไม่อ่อนไหวไม่ถูกโยกโครไอนอะไรได้โดยง่าย แล้วท่านเหล่านี้บางทีก็เราไปพูดกันอย่างเนี้ยอย่างอย่างเรายกตัวอย่างที่มักจะเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าที่ถูกโกศีพราหมณ์พระรัตวัยฉพราหมณ์นะฮะพระรัถวัจฉพราหมณ์มาด่าว่าพระองค์สารพัดพระเจ้าทรงอุปมาให้ฟังรับสั่งถามว่าพราหมณ์เมื่อแขกมาถึงบ้านของพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์ก็มีอาหารมาต้อนรับแขกถ้าแขกไม่รับประทานอาหารเหล่านั้นจะเป็นอาหารนั้นจะเป็นของใครแกก็บอกว่าเป็นของแก พะเจ้าก็รับสั่งว่าก็เหมือนกันนั่นแหละคือที่พรานดาว่าทั้งหมดเนี่ยไม่รับนะความก็รู้ตันทีว่าเป็นของแกเขาเรียกว่าไม่บริโภคร่วมหรวพุทธเจ้าสนใจก็มางไม่บริโภคร่วมเั้ฟังแล้วก็ตื่นเต้นแล้วใจเพราะตามปกติแล้วคนในเรื่องโทสะเนี่ยมันเอาไม่ค่อยอยู่เป็นเรื่องที่แปลกมากนะ่ะโทสะนี่จะเอาไม่ค่อยอยู่ แต่ว่าลึกๆเนี่ยก็มีความกลัวนะเพราะว่าอย่างคนมาท่าตีท้าต่อยมาทั้งหลายคนอย่างเงี้ยมันก็ขันติก็ต้องเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะฮะถ้าขันแตกมันก็มีปัญหาเหมือนกันนี่เป็นการแสดงถึงผลเรื่องอานิสงส์ที่เราได้จากความบมดการความหมดคนถ้าเราศึกษาความสมําเร็จในชีวิตของคนที่จเจริญด้วยลาบด้วยยศแล้วก็อยู่ครองเรือนหรือครองชีวิตจะมีความสุข ผลเสนทางสายเนี่ยกับคนท่านมีท่าทีเมตตามีไมตรีจิตต่อคนได้งหลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกับภารกิจการงานกับความไวิปริดแ ป, ปรปวนของธรรมชาติกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วกับแรงกระแทกของคนผู้ไม่หวังดีทั้งหลายนะหรือแม้แต่หวังดีแต่หวังได้นะคือหวังจะได้ประโยชน์ พวกแนวอะไรล่ะโฆษณารถแรกแกแถมทั้งหลายลองสังเกตนะที่จริงก็ระวังได้นะไม่ใช่หวังดี่ะไ่แต่เราเชื่อเขาเราอ่อนอ่อนอ่อนไว้เพื่อกับเขาเขาก็ได้แต่คนจะรู้สึกนะจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญแล้วในสุดก็ตกเป็นเหยื่อได้โดยง่ายยังแนวการเผยแพร่ศา ส, สนาในปัจจุบันคือถ้าเราดูให้ดีเนี่ย คือทําให้รู้สึกว่าเขานี่ได้แต่ที่จริงเขาเสียเจนว่าไปสํานักแข่งหนึ่งนะฮะมีพวกโยเลก็ได้นะพูดตรงๆให้โยเลก็ได้คุยโมปวดปรเรียบปล่อยสะอาดสะอาน ส, สวยงารรมถามมายมืยสังเกตไหมว่าใครทําให้พวกพวกโยมทํากันเองเน่ยความสะอาดอะพวกญี่ปุ่นมันทําที่ไหนห้องน้ําห้องท่าโยมก็ทําเอง จัดรองเท้าให้เป็นแถวเป็นแนวโยงก็ทําเองทั้งหมดตอนเข้าวัดนายยงเคยช่วยทาวําบ้างปะไอ้เ น, นี้ยคือคือเราไม่ได้คิดอะไรอะไม่ได้คิดว่าไอ้ความสะอาดสวยงามตรงนั้นมีจริงไม่ใช่ไม่มีแต่ปัญหาว่าใครทําเขาสั่งเรานะเขาสั่งเราแล้วก็จริงจริงก็หลอกใช้ซะซ้ำไปแต่กับวัดเนี่ยเราไม่ได้ทําให้ ตอนไปกล่าวโทษวัดว่าไอ้สุขภพกปุญรังมีแต่ขีหมามีอะไรก็ใช่นะะคือวัดเนี่ยมันเป็นสาธารณสถานคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันแก้ยากก็ต้องมาโทนเอาอ่นะเช่นว่าหมาเต็มวัดยังไงทำยังไงพระก็อาศัยวัดนะหมาก็อาศัยวัดอ่างคนต่างอาศัยเราทํำยังไงเจะไล่ไปไหนอ่ะคือชาวบ้านในไล่ได้แต่พระมไม่ไล่ไม่ได้ มันสถานภาพของความเป็นพระเนี่ยตรงนี้เลยต้องอดทนเอาเมื่ออดทนไม่ได้มันเราอาจจะต้องหนีนะเราอาจจะต้องหนีประกาศต้องการก็คือต้องปรับตัวเองอยู่ให้ได้บางครั้งบางคราวจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็าตามต้องฟังทังหล ใต้ร่มพระโพทิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นต่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูย์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดยทัวกันสวัสดี